สิ่งคืออารมณ์จิตสภาวะธรรมอันเป็นอารมณ์จิตคือกายกับใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่วิชาวความรู้ทางโลกศาสตร์ในที่เราเรียนมาสิ่งนั้นก็คืออารมณ์จิตเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นเมื่อจิตสมาธิมันเป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิสารพัด ท, ที่มันจะปรุงแต่งไป บางทีบางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ว่าจิตมันฟุ้งซ่านแต่แท้ที่จริงมันเกิดปัญญาใครคล้องใจอยู่ที่ไหนจิตใต้สำนึกมันยึดอะไรไว้มันก็จะไปค้นคว้าอยู่ในสิ่งนั้นบางท่านก็ว่าต้องให้มันอยู่ในกรอบแห่งธรรมะท่านผู้นี้เข้าใจคำว่าธรรมะอยู่ในวงแคบเข้าใจว่าธรรมะมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาในเมื่อจิตไปถึงขั้น อันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วนี่มันมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปจิตมันไม่ได้ว่าดอกอันนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันจะเกิดความรู้มันก็มาว่าเอาต่อเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นโลกะวิถู ในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะไม่มีใครเชื่อหลวงพ่อเอาหลวงปู่เทศเป็นครูไปกราบจะไปถามปัญหาท่านปัญหาที่จะถามยังไม่ได้ถามท่านตอบก่อนพอไปกราบเออเจ้าคุณมาแล้วดีแล้วจะพูดอะไรให้ฟังผมพูดแล้วไม่มีใครเชื่อมีแต่เจ้าคุณองค์เดียวจะเชื่อผม พอเสร็จแล้วท่านบอกว่าสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดสมาธิในฌานมันไปรู้นิ่งอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวสมาธิในอริยมรรคพอจิตสงบแล้วมันมีวิตกวิจารวิตกก็คือความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นวิจารก็คือสติที่รู้พร้อมอยู่ในขณะจิตนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตมันเกิดปรุงแต่งบางทีมันรู้อยู่ข้างใน บางทีไปรู้อยู่ข้างนอกผลที่มันมองเห็นได้ชัดก็คือสติที่คอยจ้องรู้อยู่นั่นแหละท่านบอกว่าบางทีจิตตัวหนึ่งมันปรุงแต่งไปอีกตัวหนึ่งมันเฝ้าดูไปถึงจุดจุดหนึ่งมันแยกเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดอยู่ไม่หยุดอีกมิติหนึ่งเฝ้าดูอีกมิติหนึ่ ง, น, งนิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย แล้วท่านบอกว่ามิติที่คิดไม่หยุดคือจิตเหนือสำนึกตัวที่เฝ้าดูคือสติสัมปะชัญญะตัวผู้รู้ตัวนิ่งเฉยอยู่คือจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงานท่านแยกแยะออกไปอีกนี้ทีนี้ในเมื่อมันปรุงไปร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยกิเลสทั้งหลายจะมาวนรอบจิต พอถึงความสว่างของจิตมันจะตกไปตกไปตกไปเหมือนมาแรงบินเข้ากองไฟในที่สุดมันจะไปถึงจุดที่เรียกว่าถีติงผูตังแบบหลวงปู่มั่นท่านอธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงใดจิตต้องการสงบนิ่งสว่างให้มันสว่างไปถ้าช่วงใดมันสงบแล้วเกิดความคิดผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้ น, นปล่อยให้มันคิดไป เราเอาสติอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่จะพาให้เราพ้นทุกข์สำเร็จอริยามากอริยผลจริงๆนี่คือสีนห้าข้อถ้าผู้สามารถรักษาสีนห้าให้บริสุทธิ์สะอาดได้ภาวนาไม่เป็นก็ไม่ตกนรก